ขอความสุขความเจริญจุมนีและท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอปณิธานของพระโพธิสัตว์ในช่วงที่เป็นเรื่องความคิดกับการเปร่งประวัจาและการปฏิบัติที่เรียกว่าพุทธการกธรรมในครั้งแรก โดยการสละชีวิตของตนเองให้เป็นอาหารแก่แม่เสือซึ่งกำลังขิวและกำลังจะกินลูกของตนซึ่งง่ายง่ายของฐานบา ร, รมีท่านเรียกว่าฐานะประมาธบารมีเป็นการกระทําที่ทำได้ยากยิ่งมล้วก็แสดงถึงน้ําประทศไทยที่เด็ดเดี่ยวเป็นการนุ่งผลสูงสุดความพยายามการกระทําก็ต้องสูงสุดตามไป ลักษณะของรัฐบุรุษหมาบุรุษก็จะเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่าท่านเหล่านั้นกว่าจะประสบความสาเร็จก็ต้องผ่านความทุกข์ยากความสูญเสียความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานแทบล้มประดาตายแล้วเราก็มามองเห็นทานตอนประสบความสาเร็จแต่ไม่ได้มองตอนที่บำเพ็ญเพียร ทำให้เราเห็นว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ไวจะอยู่ในจุดตรงไหนก็ตามที่พระเจ้ทาทรงจำแนกของคนไว้เป็นสีป่ประเภทใหญ่ประเภทหนึ่งเรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปมาความคนกลุ่มหนึ่งเกิดมาด้วยผลของบาปของอกุศลต่างๆและมอเกิดมาแล้วก็ไม่มีพื้นฐานที่จะ แต่ใจสนใจศึกษาสำเน็จเรียนรู้แก้ไขปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองบางครั้งก็กลายเป็นเผ่าพันธุ์เราลองสังเกตว่าคนในวรรณสูตรซึ่งมีอยู่ในประเทศอินเดียเมื่อไรเนี่ยเราก็คงรู้ไม่ได้ต่เรียกว่าก่อนพุทธกาลก็หลายพันปีเพราะชนเหล่านี้เป็นชนเผ่าเดิมคือชนถิ่นเดิม ตอนที่พวกอารยันจะอประยกเข้ามาแต่เป็นเรื่องที่ถือว่าอัศจรรย์แต่นี่คนเหล่านี้ก็ยังดูหมิ่นชาติภูมิตัวเองอยางทำตัวเองให้ตกต่ำแล้วกลายเป็นลูกตุ้มทวงสังคมอินเดียอยู่ไม่มีการศึกษาแล้เรียนแต่ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ ก็กลายเป็นปัญหาในส่วนตัวของเขาเองแล้วก็เป็นหาเป็นปัญหาให้แก่สังคมเวอร์ น, นี้อาจจะถึงร้อยล้านแล้วที่ทำไปหลายปีที่แล้วก็ปรากฏว่ามีอยู่แปดสิบล้านคนอีกพ่กหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าพู้มืดมาและสว่างไปคือคนบางคนนั้นเกิดมาเรียกว่า สถานที่เกิดก็ไม่ดีสกุสกุลที่เกิดก็ไม่ดีพื้นฐานทางครอบครัวก็ไม่คือกุลในตัวครอบครัวเองก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองโอกาสที่จะเข้าศึกษาโล้เรียนพัฒนาตัวเองในเจรินก้าวหน้ามันเป็นไปได้ยากแต่คนบางคนแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวความขันอุปสรรคอันตรายประเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองมันก็กลายเป็นมหาบุรุษเป็นรัฐบุรุษขึ้นมาได้เราจึงพบว่าพระารหันเป็นบุคคลประเภทนี้ก็ยเยอะประทานาทิป ด, ดีนายกรัฐมนตรีมหาบุรุษ พวกวีร บ, บุรุษทั้งหลายพวกนักปราชญ์ทั้งหลายเป็นอันมากที่เกิดขึ้นประเภทนี้ในลักษณะที่จากดินเป็นดาวหรือปั้นดินเป็นดาวอดีตประวัติของท่านกลายเป็นเรื่องภาพภูมิใจของคนที่เกี่ยวข้องกับท่านอย่างเช่นอับราฮัมบินคอนหรือแม้แต่บินพินตันคนปัจจุบัน ก็ประวัติก็เป็นเด็กกําพร้าแล้วก็มีฐานะยากจนมาก็เรียกว่ามืดมาแต่สว่างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจนสว่างโพ้งไปคนอีประเภทหนึ่งนั้นที่เรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปหมายความวาโดยพื้นฐานเดิมจริงๆแต่ฐานที่เกิดครอบครัวสกุลที่เกิดครอบครัวที่เกิดมันเอือ้อ แต่ว่าตนเองไม่มีพื้นจริตกัตยาศัยก็เรียกว่าไฟต่ําเป็นรูปประเภทที่เรียกว่าพรานทกุลเกี่ยว่าชาติตบุตรคือเกิดมาพรานสกุลแต่ทําตัวเองให้ตกต่ําไปคนอีกประเภทหนึ่งนั้นเรียกว่าสว่างมาและสว่างไปอาจจะสว่างเพิ่มขึ้นหรือสว่างเท่าเดิมก็าตามก็สแสดงว่า เกิดมาด้วยผลของกุศ ล, ลกรรมแล้วก็อยู่ด้วยความดีก็เป็นกระบวนการของกรรมดีทั้งสองช่วงซึ่งอาจจะสว่างเพิ่มขึ้นหรือสว่างเท่าเดิมก็ถือว่าอยู่ในประเภทนี้เพราะวิถีชีวิตแบบตัวละครแต่และตัวที่ปรากฏในเรื่องราวเหล่านั้นเราลองสังเกตว่า มันอยู่ที่การใช้ความเพียรพยายามของต่านเหล่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองทาง น, นั้นมันมีอยู่แต่ว่าใครจะเลือกทางไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคนเลือกจะต้องมีความมั่นใจว่าสามารถก้าวเดินไปบนเส้นทางสายนั้นได้อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในแง่ของพระไตยบิดกพระสมณตรกรฐานะ คือท่านจะแบ่งเป็นสามยุคใหญ่หญยุคแรกก็คือทูเรนิทานท่านอธิบายไว้ในคำพีเกียลสุดชนะววลาศิลนีอัตตกถากุตการนิการพกอปาทานอปาทานนั้นเป็นการเล่าประวัติของ ระยบุคคลของพระพุทธเจ้าในอดีตการแล้วก็บอกว่านิทานคือเรื่องเรื่องการที่ไกลลิบลนไม่สามารถจะนับได้อย่างที่บอกไว้ในวังก่อนว่าถ้าจะนับตรงนี้มันก็ว่าก็ไปตั้งเท่าไหร่ละสิบหกแสนกับก็นับเป็นตัวเลขก็ไม่ได้ แต่าธูเรมิธานั้นจะไกลออกมากมากหมายความว่านับเริ่มตั้งแต่ท่านตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าตอนนับจริงๆเนี่ยท่านนับเป็นช่วงที่เป็นสุเมธธรรมนกเพราะว่าตอนน้นอ่างที่บอกแล้วว่าเป็น อ น, นิยตะโพธิสัตว์คือไม่แน่ว่าจะได้ไหวหรือไม่ไหวนับตรงนั้นก็สี่แสนนะสนขายก็แสนกลับนะก็ไม่ชุดเบาเลยทีนี้พอมาอีกช่วงหนึ่งเรีย ก, กว่าสันติเจนิทานคือไม่ใช่อวิธูเรนิทานคือเรื่องไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เป็นการนับเรื่องราวตั้งแต่พระโพธิสัตว์ คือเราเชื่อกันว่าพระเวสสันดร น, นั่นเองคือตายไปแล้วก็บังเกิดเป็นสันตุสิทธิ์เทพผบุตรแล้วก็ยุติจากสันตุจากสวรรค์ชัดนสิทธิ์ลงมาถือไปจนทิ่ในคันของพระนาสิริมห า, มายาแต่ว่าผ่านมาเวล า, เ, วลาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้้วก็ไม่ได้บอกไว้เพราะฉะนั้นเราเทียบเคียงในแง่ของเหตุผลทางประวัติศาสตร์ พราประชาติที่เป็นพระสันดรกับพระชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแม้จะถูกขั้นโดยสันตุสิทิเทพบุตรก็ด่ามานะแต่มันห่างกันมากประโยชนของเทวดาชั้นสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยมันมันห่างจากโลกมนุษย์จนไม่รู้จะนับเป็นยังไงนะแต่ก็แสดงให้เห็นถึงว่ากระแสของบารมีธรรม มันจะแม่คนไว้อย่างชัดเจนประชาที่เป็นพระเวสสันดร น, นั้นบำเป็นบารมีที่จริงมันก็ครบทั้งสิบไปแล้แต่ว่าจะหนักไปในฐานะบารมีกับศีลบารมีก็มีขันติมีสัจจะมีวิรยิยะมีอะไรอะไรก็ครบันแล้ว น, นะแต่ว่าอย่างอื่นมันไม่เด่นเท่ากับศีลบารมีกับฐานะบารมี พระธานบาบรมีได้บริจาคมากบริจาคขนาดบุตชิดาแล้วก็พระชยาแล้วก็พร้อมจะสละแม้แต่ประชดมชีของพระองค์เพื่อได้มาเึื่งประสัพปัญญุตญาณแล้วก็เป็นการสอนให้เห็นว่าความดีที่ใครทําก็ตามมันก็เป็นการสร้างทางเพื่อบังเกิดในภพ ในภูมิที่ดีเกิดได้ภูมิจิตที่ดีก่อนแล้วก็บังเกิดพพที่ดีในตอนหลังวันทวเรามองย้อนกลับไปที่เรื่องเวสสันดร น, นะฮะเราจะเห็นว่าท่างสาชนก็คุ้นๆกับเรื่องเวสสันดรคืตอนสรุปประชาสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการจำแนกคนชัดเจนตามกระบวนการแห่งกรรมแต่คนเราไม่ได้ทำกรรมชั่วเฉพาะ อย่างเช่นพวกเครือเนี่ยเครือราชวงศ์ของพระเจ้ากรุงศรนชยัยทั้งหมดเรียกว่าต่างครอบครัวนะคระัวต่างครอบครัวเนี้มาก็ไปบังเกิดเป็นครอบครัวขึ้นมาอีกในกลุ่มทบินลพัดพระเจ้ากรุงศรนชัยก็เป็นพระเจ้าสุดโทธนกผนงังปุษดีก็เป็นพระนังสิริมหามายาประเวศนรก็เป็นพระจิทธธัตหะ พระคุณก็คงไม่ใช่ประชาลีก็เป็นพระคุณพระนางมัตสีก็ไปเป็นเจ้าหญิเงเยโซธราแต่เป็นเรื่องที่แปลกคือพระกันหาไม่ได้เกิดรุ่งแต่ไปเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงสาวัตีคือเรื่องต้นหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้เลาะถึงกันหาชาลีแต่งงาน ก็พี่น้องมาแต่งงานกันโดยเหตุผลว่าพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วก็ไม่มีใครที่จะเป็นหลักให้แก่กันเลยกันก็รวมทุกข์รวมสุขกันมาแต่มีข้อแม้ว่าอย่างหนึ่งแล้วก็ชาลีรักษาไม่ได้ก็คือชาลีจะต้องไม่มีสนมอืต่นในสุชาลีก็ต้องมีตามธรรมเนียมของกรรษัตริย์สมัยโบราณทำให้กันหาเคียดแค้นมากแล้วก็ ตั้งสัตยาธิษฐานไม่ขอเกิดร่วมบิดามารดาเดียวกันทุกภพทุกชาติแต่ว่าบารมีก็คือบารมีนะแต่ละคนก็สร้างบารมีกันมาไอส่วนอธิษฐานก็คืออธิษฐานไปก็ไม่ต้องเกิดแต่ว่าเรื่องบารมีเขาก็มวผลเพราะฉะนั้นทั้งสองท่านก็ออกบวชด้วยกันประการหาบังเกิดเป็นพระอุญวรร น, นาเทรี เป็นพระบนบรรนานะฮะเป็นที่ดาลังเศรษฐีเป็นที่หมายปองของผู้ชายเป็นอันมากจนเศรษฐีเองก็เดือดร้อนเพราะว่าผู้ชายมันแย่งกันเยอะ น, นักเกิดถามลูกสาวว่าบวช ด, ดีไหมลูกก็นี่แต่งงานนะฮะแต่ว่าเด็กสาวฟังคําว่าบวชเหมือนกับพ่อเอาน้ํามนต์มารดบนศีรษะมันเย็นจะเยืกเข้าไปถึงหัวใจแล้วปากบวชทันทีเลย เขาเรียกวพวกนี้ว่าเป็นปัจจุพรวิกรสัตว์แล้วก็พวกอะไรละ่ะเท่าส ก, กะเทวราชก็ดีพรานเจตบุตรก็ดีอจุตฤศีกดีพระเจ้าพระสหายทั้งหลายนะฮะพระเจ้าเจตราชทั้งหลายเนะี่ยเราจะเห็นว่ามันก็วาันเกิดเป็นพุทธบริษัททั้งหมดก็มีคนที่แปลกอยู่สองคนก็คืออมิตตดากับชูชก ก็มาเกิดร่วมโดยเฉพาะฐานะทางะกุลเนี่ยที่จริงก็ทัดเทียมกันกับเจ้าชายทิฏฐะก็แสดงว่ามาเกิดด้วยผลแห่งกุศ ล, ลกรรมมาทาหน้าที่เป็นชนุกกรรมกระดมมาเกิดแต่เกิดแล้วจากนั้นทา่านก็ชักจบแคว่งๆม่เรื่อยๆจะจบลงด้วย ทำอนันตริกรรมทั้งคู่เป็น เ, เ, นเรื่องแปลกคือทำกรรมเป็นเหตุตก น, นรกทั้งคู่คนหนึ่งก็ประทุษร้ายพระพุทธเจา้าหลายเครื่องยึด จ, จับมรรกาก็ใส่ร้ายพระพุทธเจา้ามันไม่ถึงอนันตริกรร ม, มนะแต่ว่าก็าไม่ถึงระดับโลหิตตุบาทแต่ที่จริงก็แรงกว่าก็ตกอเวจีมานรกด้วยกัน เรื่องเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันทุกเรื่องเนี่ยไปนสอนเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัตรคือหมายความว่าสะท้อนภาพกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากสะท้อนตลอดในเรื่องของขอโพวเนี่ยอทุเรนิทานวิทุเรนิทา น, าททานสันมิเกนิธานจะสะท้อนเรื่องสามเรื่องนี้ตลอดแต่ว่าภพชาติมันจะผลิเก้น เมื่อเราไปศึกษาก้าวไปถึงพวกชาดกก้าไปชาดกเราก็คงจะเริ่มที่เรื่องสุเมธสุเมธมนุเพราะจากสุเมธมนุปเป็นต้นมาด้วยมาจนมาถึงสันตุสิทธิเทพตระบุจติโรามาบังเกิดในคันของปนานสิริมามายาแล้วก็ ตลอดจนถึงมันเป็นเพียนมาเร่นะก็จนถึงก็จะสรูพระนุตะสมมาสมโบธิญาาตัวนี้เขาเรียกว่าเรื่องไม่ไกลคําว่าไม่ไกลเนี่ยคืออวิทูเร น, นิทานเนี่ยแปล ว, ว่าไ ม, ไ, ไม่ไกลไม่ไกลเมื่อไหร่ไม่หมายความมันนับในสมัยพุทธกาลยังไม่ไกลทีนี้สันติเกณิทานเนี่ยนับตั้งแต่จะสรูปเป็นต้นมาก็หมายความว่า ตั้งแต่หรวงพ่เจ้าทรงแสดงประทมเทศนาเนี่ยเป็นเรื่องปัจจุบันเพราะตอนนั้ น, นคือพระพุทธศาสนาจริงๆมาพูดถึงตรงนี้ก็อย่างนึกจะนึกถึงอะไรล่ะวันที่หนึ่งมกราคมคือเมื่อวันที่อนะ่รสามสิบนะฮะสมสิบมกราสามสิบธันวาเนยอาตอมาไปปาตรกรถาหน้าเมน ที่วัดสีทศเทพก็มีพระผู้ใหญ่นั่งหลายองค์ก็มีข้าราชการผู้ใหญ่ตลอดถึงองค์มนตรีกร็นั่งอยู่ด้วยก็ไม่ทันสังเกตเห็นนะแต่รู้สึกอิดอัดไอ้เรื่องไอ้เรื่องสัตววัดเนี่ยศาส์สวรรัตเนีรร่ยศาสสวัตที่สามมันนึกไม่ออกมันเอามาจากไหนเป็นเดือนนี้ยังนึกไม่ออกนะครับว่ามาจากไหน เพราะถ้าจะศาสสวัตที่สามมันต้องปีหน้านะปีนี้มันเรียกว่าเป็นศาสสวัตที่สองของคริสต์ศาสนาปีสุดท้ายหมายความว่าต้องรอไปอีกนู่นวันที่หนึ่งมกราเนี่ยจึงจะขึ้นศาสสวัตที่สามของศาสนาคริสต์นะไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วก็ยังมีคนบางพวกไปพูดว่าศาสสวัตที่สามแห่งพระัตนไไรไพ่ใหญ่กัน แล้วแปลกเชื่อได้เอากปจริงมาหน้ามอนะือตาลายเนี่ยคิดเลขยังไม่ถูกเลยนะแล้วก็มีลูกศิษย์เขาเป็นสจวดวันนี้เขามาหาก็ลองสอบถามเขาดูจบปัญญตรีนะฮะสอบถามก็ดูปรากฏว่าแกเชื่อว่าเป็นสาสต์สวัสดิ์สามเหมือนกันบอกว่าเธอลองนับดูทีหนึ่งถึงสิบไอตัวสิเนะี่ยมันไปขึ้นไปจาก ในช่วงยี่สิบเอ็ดลยอยางไม่ใช่ยี่สิบเลยอยางส0ต้องคือตัวเต็มนะมันไม่ใช่ตัวหนึ่งต้องต้องต้องสิบเอ็ดจึงจะไปนับไปอีกสิบเราก็จะกลายเป็นยี่สิบไปนับเลขยังไงอ่ะนับเลข ก, ก็ไม่ถูกแล้วก็ตื่นเทงนกันเป็นการโกวกาหนไม่หมดได้ สอสา ส, สวัสที่สามแห่งพระรัตนานไตรของเราบรรนุนสมัยต้นอายุทยาสมัยพระราเมศสวนนะฮะสมัยพระอินทรราชานี่ที่จริงมันสองพันสองเราก็อยู่สมัยพระราเมศูวนเราก็มาตื่นเต้นอะไรกันนั่นคือแสดงให้เห็นถึงว่ากระแสของโลกาภิวัตกระแสของข้อมูลข่าวสารเนี่ย มีการชีน้นามีการตื่นเต้นแล้วก็กลายเป็นการตื่นตูงก็ก็ก็รู้สึกมันมันรำคาญนะอ่านข่าวแล้วก็รู้สึกรำคาญก็ามาบกพ้าเลยนะคอยดูก็ไแล้วกันยังไม่ถึงสี่บแปดชั่วโมงว่าเรื่องทั้งหมดไม่มีอะไรเกิดเป็นการปกติจักรราศีบ้นหมุนไปตามปกติไม่มีอะไรอย่างที่พูดไม่มีน้ำพ่่มโลกไม่มีดาวแปดดวงชนโลกไม่มี โลกจะแตกไม่มีปัญหา เ, าเรื่องไวทรงเคเราไม่รู้เรื่องนะแต่บอกว่ามนุษย์ก็แก้ได้เพราะมนุษย์นสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเองอันนี้ ค, คือคือคือเรื่องที่ว่าทำยังไงว่าเราเป็นยุคชิวิทยาการก้าวหน้าแล้วมันมองปัญหาต่างๆด้วยความรู้ความเข้าใจแม้แต่โขนทั้งหลายที่มาพูดกัน ก็พูดกันไม่เห็นตรงกันคนไทยคนหนึ่งก็พูดเป็นแบบไทยแกก็ไม่เชื่ออะไรเลยแกถือไม่มีอะไรเลยเออนั่นเป็นขวนที่เขาเรื่องขาราวหน่อยบางคนก็ไปเชื่อในลักษณะอย่างนั้นแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือคนที่เขียนหนังสือนอตจารดมุสนะรวยไป พวเขียนเรื่องเหล่านี้พวกพูดเรื่องเหล่านี้นนไปเรื่องนี้ก็พูกันไปเรื่อยๆนะแรื่นี้ก็ต่อไปจนถึงกุมพานะฮะสิ้นกุมพายี่สิบสี่กุมพาอะไรอะไรก็ว่ากันไมปเรื่องวายโอเคก็ว่ากันไปนะักวิจ า, ารณ์ก็พูดกันไปนะเสร็จแล้วก็มาสรุปว่าไม่ประมาทไว้ก็เท่า น, นั้นเองแต่ปัญหาสําคัญโดยที่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะ ในกระบวนการของพวกธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ควรจะตื่นเต้นอะไรมากเกินไปมันจะต้องมีเหตุผลในความเป็นธรรมชาติแต่เรื่องคฮ้ยมนุษย์กระทำเนี่ยเราก็อย่างรู้ได้ยากเช่นว่าเมื่อไรก็จะกี้เึรื่งบินอย่างเงี้เราก็ไม่รู้เมื่อไรเครื่องบินจะตกนี่ยเราก็ไม่ ร, ม ร, ร, ร, มรู้การเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นก็อยู่ที่การระมัดระวังแต่นั่นเองแต่ว่าทํานยังไงว่ามีหลัก ในการมองปัญหาในวิถีของพุทธเนี่ยแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องไปมองในรายละเอียดมากเกินไปก็ได้อย่าในชาดบเนี่ยมันมีการถกเถียงมันก่อนก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาถามว่าทําไมตอนพระเจ้าปิมพิสารถูกพระเจ้าจะตรูไปขังไว้เนี่ยทําไมพระพระเจ้าไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ช่วยก็ไ ป, ปโยมพูดเล่นไป คือถามว่าช่วยนะก็ช่วยได้แต่ย่าลืมอมันนั่นคือกรรมของท่านแล้วการไปฝืนกระแสกรรมเนี่ยพระโสดพระเจ้าพิมพิสานี่ท่านสิ้นอายุแน่นอนแล้วท่านเป็นประโสดั บ, บันไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรกับท่านดอกท่านไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยะท่านปล่อยวางในสังขารทั้งหลายได้แต่ถ้าพระพุทธเจ้าไปช่วยปรับเนี่ย มันจะเกิดปัญหาแก่พระเจ้าชาติสุภเจ้าซาตูตั้งตัวเป็นศัตรกับพระเจ้าทีเนี้ยคนจะตกนรกกันเยอะเลยคือเราต้องมองอีกหลายมุมเอ๊ะทำไมพระเจ้าไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ใช้ไม่ได้เพราะถ้าคืนใช้ไปแล้วเนี่ยย่าลืมมาพระเจ้าชาตูจะโกรธแล้วก็ถือพระเจ้าเป็นปฏิปักษ์ทีเนี้แกจะเบียดเบียนพระสงค์แกทําอะไรพระเจ้าไม่ได้แกเบียดเบียนพระสงฆ์แล้วแกก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาเก็พวงหายไปเลย เพราะงั้นเมื่อกรรมมันมาถึงเนี่ยมันต้องปล่อยเป็นไปตามกรรมของเขาพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายนั้นท่านจะต้องมีอุเบกขาญาณ น, นะถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าต้องอยู่ด้วยเบกขาก ร, รมทั้งหลายมันก็เป็นไปตามกรรมของมันไม่ต้องเอาขนาดนั้นเนี่ยพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์ขนาดไหนแก้ปัญหาต่างๆมาเยอะพอกรรมมาถึงท่านท่านก็มีหนีไปไหน อยากให้ทาอะไรก็ทําอยากจะตีก็ตีอยากจะฟันก็ฟันก็ทําไปเป็นเรื่องของการแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าเราทําแล้วเนี่ยคือกรรมแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราเชื่อมั่นในกฎของกรรมเราก็งดเว้นไม่กระทาเหตุบางอย่างผลที่ไม่พึงปรารถนาก็ไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อทําไปแล้วเนี่ย จะให้คนอื่นไปช่วยเนี่ยไม่ใช่เหตุผลดังนั้นใด้ลองสังเกตว่าถ้ากรรมมันมาถึงจริงๆพระพุทธเจ้าเองก็ช่วยใครไม่ได้เพราะโดยวิบากขันพระพุทธเจ้าเองก็ยังเจอกรรมให้ผลทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งหมดประมาณสิบเจ็ดครั้งแล้วกัน น, นะต้องฝั่งไห ในร่มพระโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไผ่บุญในธรรมจะงมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยั่วกันสวัสดี